และเป็นความสะอาดจากเครื่องประทินผิวจิตสำนึกของเราถูกหลอกด้วยผัสสะเทจเทียมชั่วคราวชั่วชีวิตมนุษย์ยุคใหม่คนหนึ่งอาจไม่เคยตระหนักอย่างแท้จริงเลยว่ากายเป็นของเหม็นกายเป็นของศกกรปรกนับแต่เกิดจนตายหรือตัวอย่างแบบเป็นนามธรรมบ้างเวลาคนเราทุกข์หนัก ก็มักปักใจเชื่อว่าไม่สามารถผ่านความทุกข์นั้นๆไปได้เพล๋อๆอาจทึกทักว่าวันเวลาที่เหลืออีกทั้งชีวิตคงต้องจมปลักอยู่อย่างนี้ทั้งที่จริงแล้วถ้าแค่หยุดเพิ่มเหตุแห่งทุกข์ทางใจเข้าไปความทุกข์ก็จะแสดงความไม่เที่ยงไม่อาจตั้งอยู่ได้เกือบทันทีเหตุแห่งทุกข์ทางใจที่ว่านั้นก็คือ